นรารีลักษณะพูดถึงเรื่องเลือกคู่ที่ไรนึกถึงตำราของเก่าทุกทีคือผมมีตำราเลือกคู่เป็นของเก่าคนโบราณว่าไว้เกี่ยวกับลักษณะคู่ครองที่ดีริกสั้นๆว่านาร า, นารีลักษณะคือลักษณะของชายดีหญิงดีรู้สึกว่าท่านวางกฎเกณฑ์ไว้ครบถ้วนและเหมาะเจาะดีกว่าอีกหลายแบบที่เคยเห็นมาที่จริงผมเคยเผยแผ่มาม า, มากแล้วเหมือนกัน แต่เอามาเล่าสู่กันฟังเสียอีกทีคืออย่างนี้แต่นี้พูดฟังเฉยๆนะท่านผู้ใดมีแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลือกคู่กันใหม่ประเดี๋ยวจะนึกว่าปลาถกมายุให้เลือกคู่กันใหม่เลยจะยุ่งกันใหญ่และพล้อยทำให้ผมไม่ปลอดภัยไปด้วยการเผยแผ่นี้ก็เพื่อเสนอให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาและจำไว้เผื่อลูกหลานต่อไปเขาทาอะไรจะได้เป็นคนมีหลักซึ่งดีกว่าปล่อยให้หลักรอยดี นรนารีลักษณะที่ว่านี้มี6อย่างผมเรียกง่ายๆว่าดีหคือ 1. รูปสวย 2. รวยทรัพย์ 3. นับวิชา 4. มารยาทห้ 5. ชาติผู้ดี6มีศีลธรรมจำง่ายง่ายว่ารูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมต้องหัดว่าให้คล่องปากมีอยู่6อย่างด้วยกัน อธิบายความหมายย่อๆพอเป็นทางพิจารณา 1. รูปสวยที่ว่ารูปสวยก็หมายความว่าเป็นคนงามทางรูปกายสมสัดสมส่วนแต่ความสวยของคนจะวางเกณฑ์ตายตัวยากว่าคนอย่างไรสวยเรื่องนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในถิ่นนั้นๆแม้ในถิ่นเดียวกันก็ยังต้องแยกแยะตามความชอบใจของแต่ละคนอีกด้วยเราจะตั้งเป็นกฎตายตัวเช่น ว, ว่า คนขาวสวยคนดําไม่สวยอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนดําขําก็มีคนนิยมมากเหมือนกันยิ่งในประเทศคนผิวดําเขายิ่งนิยมคนผิวดําดําเมียบจริงๆ ย, งยิ่งดํายิ่งดีรูปร่างผิวพรรณที่ต้องตามความนิยมทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นผลบุญอย่างหนึ่งดังที่พรนานาไว้ในนิธิกัรสูตรกล่าวถึงรูปลักษณะคนมีบุญว่าสุวรรณตามีผิวดี สุสา ร, รตามีเสียงดีสุสั้นท่านังมีช่วทรงดีสุรูปตามีร่างกายดีนี้เป็นการบรรยายความงามว่าดไว้เป็นกลางๆบอกแต่ว่าดีแต่ก็ไม่จํากัดเด็ดขาดลงไปว่าดีอย่างไรผิวดีก็คือผิวเกลี้ยงเกลาหน่าดูเสียงดีคือเสียงเพราะเสียงมีเสน่ห์ทรงดีคือสัสดส่วนต่างๆของร่างกายดี ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปร่างกายดีคือร่างกายสมประกอบไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาหูตาไม่พิกลพิการเรื่องรูปสวยแสดงพอเป็นแนวทางพิจารณาเท่านี้ก่อน 2. รวยทรัพย์ข้อความบอกชัดอยู่แล้วเหมือนกันว่าเป็นคนมีทรัพย์ความจริงข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงมุ่งสอนให้เพ่งเล็งความขยันขันแ ข, ข็งเป็นสำคัญ เพราะข้อเทีจจริงนั้นใครก็รู้คนหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ในวัยเลือกคู่ส่วนมากก็อยู่ในวัย 18-20 ปถึงีปีคนวัยนี้ว่ากันทั่วทั่วไปก็เพิ่งจะออกจากโรงเรียนผู้ชายก็เพิ่งจะนุ่งกางเกงขายาวผู้หญิงก็เพิ่งจะตัดเปียจะไปเอาทรัพย์ที่ไหนมาให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนอกจากของบรรพบุรุษหรือไม่ก็ยืมเขามาโชว์ การที่เราจะมาตั้งข้อเพ่งเลง็งเขาในแง่นี้จึงดูจะไม่เป็นการยุติธรรมความเข้าใจของผมว่าท่านเจ้าของตําราคงไม่ใช่คนงกสมบัติเห็นแก่ได้แล้วสอนคนอื่นให้เลือกคู่เพราะเห็นแก่สมบัติของเขาซึ่งเป็นวิธีขายตัวชัดๆแต่ท่านคงจะสอนเราให้สังเกตไว้บ้างว่าคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่ครองนั้นมีแววเศรษฐีติดตัวบ้างหรือเปล่าคืออุทนานสัมปทา ขยันหาทรัพย์อารักขสัมปทารู้จักเก็บหอมรอมริบกาลยานามิตรตาคบแต่คนดีเป็นมิตรสมชีวิตารู้จักจ่ายทรัพย์พอควรลักษณะทั้งสีน่นี้บางท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐีเพราะคนที่มีลักษณะดังกล่าวย่อมหวังตั้งตัวได้แน่นอนดังในนรนารีลักษณะข้อว่ารวยทรัพย์นี้ควรจะตั้งเกณฑ์เพียงว่า ให้ดูผู้ที่ตนจะเลือกเป็นคู่ครองว่ามีลักษณะของผู้ที่ร่ำรวยทรัพย์หรือเปล่า 3. นับวิชาหมายความว่าเป็นคนมีความรู้ความฉลาดไม่ใช่ง่งเงา่าเซาะซะแต่จะรู้อะไรรู้แค่ไหนนั้นสุดแล้วแต่ความพอใจของผู้เลือกที่สำคัญก็คือต้องเป็นคนมีความรู้ทรมมหากินเป็นเป็นผู้ชายจะเป็นช่างไม้ช่างเหล็กช่างเขียนช่างเครื่องยนต์หรือช่างอย่างอื่นก็ได้ ข้อสำคัญให้เป็นวิชาธรรมหายกินโดยสุจริตอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างฝ่ายหญิงก็เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดทำอะไรไม่เป็นจริงๆทอดขนมขายเป็นก็ยังดีเผื่อถึงคราวจำเป็นจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้เหมือนคนสองคนเกาะกันว่ายอยู่ในน้ำถ้าว่ายน้ำเป็นทั้งสองคนเมื่อคนหนึ่งหมดแรงอีกคนหนึ่งก็พอพยุงกันไหวไม่ให้จมน้าตาย เรื่องวิชาความรู้นี้เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยคนที่ทำอะไรไม่เป็นเป็นแต่ทำท่าเจ้าชู้ประตูดินอย่างเดียวไม่ต้องด้วยตําราใครเลือกเป็นคู่ครองไม่ดี 4. มารยาทหมายความว่าเป็นคนมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยน่ารักเรื่องนี้ก็เป็นข้อจำเป็นอยู่มากสำหรับผู้ครองเรือนซึ่งท่านผู้ฟังย่อมทราบอยู่ด้วยกันแล้ว กิริยามารยาทน่ารักนั้นความจริงไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกก็ได้เพียงรักษาระดับเดิมของตนไว้คือให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับตอนก่อนแต่งงานก็พอแล้วเมื่อก่อนแต่งงานเราทำไมจึงหวานกับคู่รักได้คำพูดแต่ละคำก็สรรแต่คำหวานๆออกมาให้อีกฝ่ายฟังดูเหมือนว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำได้คิดร้อยกรองไว้สัก10ครั้ง20ครั้ง ถึงอย่างนั้นก็ยังกลัวเขาไม่ชอบใจพูดไปแล้วก็นำมาคิดคำนึงอีกตั้งหลายครั้งหลายหนว่าคำที่พูดไปนั้นเหมาะดีแน่นอนแล้วหรืออย่างไรฝ่ายกิริยาอาการทางกายก็เต็มไปด้วยความละมุนละม่อมน่ารักจริงๆรู้สึกว่าเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วจะไปบ้านคู่รักแต่ละครั้งแต่ละหนเตรียมยิ้มไปแต่ปากตรอกแต่ครั้นแต่งงานกันแล้วเราทิ้งเสน่ห์เดิมของตนเสีย กลายเป็นคนอัตคัดยิ้มตีหน้าบึ้งบูดบอกบุญแไม่รับเสียเรื่อยแม้คำพูดก็เปลี่ยนเป็นกระด้างหยาบคายสัมร้าบางคนกลายเป็นคนปากเน่าปากเหม็นพูดจาด่าว่าเจ็บเจ็บแสบน่ารำคาญจริงๆพุทโธด่ดากันอยู่ได้ทุกเชา้าทุกเย็นบางคนด่าเองกลัวจะไม่ขลังพอแถมเรียกหาเรียกผีมาช่วยเขาด้วยกว่าจะตำน้ำพริกเสร็จสักครกไม่รู้ว่า ใส่หา่าใส่ผีลงไปเท่าไหร่แล้วมันจะมีรสชาติผูกมัดใจของอีกฝ่ายได้อย่างไรนี่แหละความผิดพลาดของผู้ครองเรือน 5. ชาติผู้ดีที่ว่าชาติผู้ดีหมายถึงเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของคนดีซึ่งตรงกันข้ามกับคนร้ายหรือคนชั่วธรรมดาคนดีย่อมอบรมบุตรธิดาของตนในแงด่ดีผมได้กล่าวมาแล้วว่าคนเราเมื่อก่อนแต่งงานเขาเคลือบไว้ด้วยน้าตาลน้าผึ้ง ชโลมไว้ด้วยของหอมไร้ทาไว้ด้วยสิ่งหน้าดูหน้าชมทั้งสิ้นยิ่งสมัยนี้บ้านเมืองเต็มไปด้วยคนวิทยาศาสตร์ดูยากเหลือเกินมักจะเข้าตำราว่าเลือกผักกินหนอนเสียละมากแม้คนสมัยโบราณก็ตระหนักในเรื่องนี้อยู่มากเหมือนกันคือการเพ่งเลงถึงชาติโคตรตระกูลของคนที่จะเลือกเป็นคู่ครองจนถึงมีคำสอนสืบๆกันมาว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ จะดูให้แน่ต้องดูยายท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าเราจะซื้อยากินสักขวดหนึ่งแทนที่เราจะดูแค่ฟอยปิดข้างขวดก็ควรจะดูกันถึงยี่ห้อดูส่วนผสมด้วยเพราะถ้าเชื่อสลากปิดข้างขวดแล้วมันก็ดีวิเศษด้วยกันทั้งนั้นแหละสมัยนี้ยาฝรั่งเขาพิมพ์ตำรับไว้ให้ผู้ซื้อดูด้วยว่าในยานั้นมีวิตามิน A เท่าไหร่บีเท่าไหร่มีแคลเซียมและ ฟอส for us อย่างไรบ้างสะดวกแก่การใช้มากเรื่องของคนก็เหมือนกับยาคนเหมือนกันก็จริงแต่ส่วนผสมมันไม่เหมือนกันประโยชน์จัดก็มีเคมจัดก็มีจืดชืดไม่เป็นท่าเลยก็มีต้องดูให้ดี 6. มีศีลธรรมคุณสมบัติข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากที่ว่ามีศีลธรรมนั้นหมายความว่าเป็นคนมีธรรมะในใจไม่ใช่เป็นคนอธรรม และที่ว่าธรรมะธรรมะนั้นก็คือเหตุผลคนมีธรรมะก็คือคนมีเหตุผลหรือเป็นคนชอบเหตุผลนั่นเองตามปกติคู่ครองที่เป็นคนไร้ธรรมะเป็นคนที่ไม่ชอบเหตุผลชอบทําอะไรตามอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฐิชอบดือ้อชอบรัน้นเถียงกันทีไรไปต้องเอาข้างเข้าถูกันทีทะเลาะกันทีไรเราต้องถูกบังคับให้เป็นฝ่ายแพ้เสมอเล่นกับคนไม่มีเหตุผลในใจแล้วยากจริง จะเอาแต่ใจตัวท่าเดียวเรื่องนี้ท่านผู้ฟังย่อมทราบอยู่ด้วยแล้วจึงขอผ่านไปก่อนจะพูดถึงอีกครั้งตอนว่าด้วยธรรมะของผู้ครองเรือนอย่างไรก็ตามผมขอย้าอีกนิดว่าศีลธรรมนั้นเป็นยอดดีของคนใครได้คู่ครองที่เป็นคนไร้ศีลธรรมไม่พ้นลำบากเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทบาดหมางสามวันดีสี่วันร้ายแย่จริงๆยิ่งกว่านั้น คู่ครองที่ไม่มีศีลธรรมย่อมเป็นเหมือนศัตรูที่แฝงอยู่ในเรือนร่างของมิตรคือชอบแนะนําให้เราทําผิดคอยกระซิบทุกวี่ทุกวันพี่เมื่อไหร่จะโกงเขาสักทีล่ะพี่เมื่อไหร่จะไปปล้นกับเขาล่ะพี่เมื่อไหร่จะไปเล่นงานไอคนนั้นสักทีล่ะถูกรบร้าหนักเข้าเราเป็นผัวมันก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเอาก็เอาเพราะเห็นแก่เมียที่รัก ผลที่สุดล่ะท่านเราเองเสวยตารางไปตามระเบียบเขาล่ะอ๋อดูหนังดูละครต่อไปอย่าลืมว่าเสียงกระซิบแผ่วๆที่ว่านั้นคือเสียงปีศาจเข้าสิงไม่ใช่เสียงเมียเราแท้ก็เท่ากับเขาบอกเราว่าพี่เมื่อไหร่จะเข้าตารางสักทีละ่ะนั่นแหละระวังให้มากๆที่ว่านี้ว่าข้างฝ่ายหญิงไม่มีศีลธรรมทีนี้ถ้าหญิงเกิดไปได้ผู้ชายที่ไม่มีศีลธรรม ยิ่งร้ายใหญ่มันจะไม่เพียงแต่เสียงกระซิบเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นเสียงขู่คำรามบังคับให้เมียต้องสร้างกรรมสร้างบาปมากมายหลายเท่านักเพราะว่าลงได้ช้างใจร้ายแล้วก็มีทางทำความพินาศได้มากกว่ามดใจร้ายหลายร้อยหลายพันเท่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครได้คู่ครองที่เป็นคนมีศีลรมประจาใจก็เป็นอันว่าได้กรยาณมิตรคอยประคองให้เราเดินทางถูก เป็นยอดแห่งประโยชน์ในครอบครัวดังนั้นนรนารีลักษณะข้อสุดท้ายนี้จึงเป็นหลักประกันสันติสุขของครอบครัวอย่างแท้จริงสร้างตึกใหญ่แล้วไม่ติดสายล่อฟ้าก็น่ากลัวฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องนอนไม่หลับครอบครัวที่พ่อบ้านแม่เรือนขาดสินทรรมก็เหมือนตึกใหญ่ที่ขาดสายล่อฟ้านั่นแหละไม่รู้เคราะห์ร้ายจะฟาดโครมลงมาเมื่อไหร่ประกวคู่ นาราณารีลักษณะที่ว่ามาแล้วนั้นเป็นหัวข้อคุณสมบัติในตัวคนเป็นของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าผมเองจำเอามาตั้งแต่ก่อนศึกษาธรรมะมาภายหลังได้เล่าเรียนทางธรรมะเข้าจึงเอาหลักนั้นมาพิจารณาดูรู้สึกว่าหลักของท่านเหมาะเข้าทีมากและเป็นการรวมคุณสมบัติในตัวคนได้ครบถ้วนดีกว่าแบบอื่นๆที่เคยพบท่านผู้ฟังจงจำเอาไว้ใช้ดูบ้าง ท่านที่มีคู่แล้วก็จำไว้เผื่อลูกเผื่อลานจะเลือกใครเป็นคู่ก็เอาดีหกนี้เข้าจับดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีและในบรรดาคนที่มีดีด้วยกันก็ยังมีมากน้อยไม่เท่ากันอยากจะทราบแน่ว่าใครจะมีดีมากกว่ากันต้องใช้วิธีประกวดเป็นรู้แน่ใครได้คะแนนมากคนนั้นก็ชนะวิธีประกวดทำอย่างนี้คือขีดตารางให้คะแนนลงในกระดาษหรือสมุดพก ตีเส้นแล้วกรอกข้อความดังนี้บัญชีประกวดคู่10ช่องจากซ้ายไปขวามีดังนี้ลำดับชื่อรูปสวยเต็ม10รวยทรัพย์เต็ม10นับวิชาเต็ม10มารยาตเต็ม10ชาติผู้ดีเต็ม10มีศีลธรรมเต็ม10รวม60ได้ที่ลำดับที่หนึ่ง คุณกรรูปสวย6คะแนนรวยทรัพย์3มคะแนนนับวิชา7คะแนนมารยาท4คะแนนชาติผู้ดีหคะแนนมีศีลธรรม8คะแนนรวม33คะแนนลำดับที่สองคุณขอรูปสวย4คะแนนรวยทรัพย์8คะแนนนับวิชาหคะแนนมารยาทเจ็คะแนนชาติผู้ดีหคะแนน มีศีลธรรม7คะแนนรวม38มคะแนนลำดับที่สคุณคอรูปสวย8คะแนนรวยทรัพย์6คะแนนนับวิชาหคะแนนมารยาทหคะแนนชาติผู้ดี5คะแนนมีศีลธรรม5คะแนนรวม35คะแนนคุณขอได้ที่1คุณคอได้ที่สองคุณกอได้ที่สาม เห็นใครเข้าทีหน่อยเราก็ทดลองเอาชื่อเข้ามาประกวดแล้วให้คะแนนโดยยุติธรรมดีมากให้มากดีน้อยให้น้อยเราทำของเราเงียบๆไม่ต้องโฆษณาให้ใครรู้สนุกดีเหมือนกันข้อสาคัญใครมีคู่ครองแล้วอย่าไปริททำเข้าเป็นอันขาดถ้าอดไม่ได้อยากเล่นสนุกก็ควรใช้เศษกระดาษเสร็จแล้วรีบฉีกทิ้งเสียประเดี๋ยวเขาจับหลักฐานได้เห็นมีชื่อคุณ น, นั่นคุณ น, นี่ ก็จะไม่ปลอดภัยลําบากตัวเปล่าๆและข้อสําคัญอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมส่งตัวเราเองเข้าประกวดด้วยจะได้รู้กันเสียทีว่าเราแค่ไหนแต่การให้คะแนนตัวเองนั้นจะต้องตัดลงหนึ่งในสเสมออย่าคิดว่ารูปร่างเราสวยมากควรจะให้สัก6คะแนนเวลาให้จริงให้หักลงเสียสองคะแนนคงให้สคะแนนอย่างนี้เป็นต้นเพราะคนเรามักเห็นว่าตัวเองดีมากเกินความจริงเสมอ การประกวดแบบนี้ยังไม่มีการจัดขึ้นเป็นทางการส่วนที่ทำกันอยู่ทั่วไปเป็นการประกวดเพียงหลักเดียวคือรูปสวยเท่านั้นส่วนอีกห้าหลักทางท้ายใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างไม่เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจดีนอกดีในคุณสมบัติของครูครองทั้งหกอย่างนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วแยกเป็น2ประเภทคือ2ข้อแรกเป็นดีนอก 4ข้อหลังเป็นดีในเังนี้รูปสวยเป็นรูปสมบัติรวยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัตินับวิชามารยาทชาติผูดีมีศีลธรรมสนี้เป็นคุณสมบัติรูปสวยเป็นสมบัติชั้นยอดที่สุดของคนเพราะความสวยเป็นของไม่ยั่งยืนคนเราถึงจะสวยเท่าไหรเท่าไรก็สวยไปไม่กี่น้าประเดี๋ยก็โทมอนาคตของคนสวยก็คือความไม่สวยนั่นเอง โรดทราบว่าความสวยนั้นเปรียบเหมือนอาพรประดับโลกใครเกิดก่อนก็ใช้ก่อนชั่วระยะรุ่นหนุ่มสาวเป็นเวลาราวๆห้าถึงเาปีแล้วก็ให้คนที่เกิดทีหลังใช้เลื่อนกันไปอย่างนี้เมื่อความสวยเป็นของเลื่อนได้เปลี่ยนมือได้ถ้าใครรักกันแต่ความสวยก็เป็นความรักที่ไม่แน่นอนทีแรกเขาก็รักเราเพราะตอนนั้นเรากำลังประดับอาพร์ของโลกในวงเล็บคือความสวย แต่ครั้งเราหมดเวลาที่จะประดับอาพรนั้นเลื่อนไปอยู่กับคนอื่นซึ่งเกิดทีหลังหรือเขาได้พบเห็นคนอื่นที่สวยยิ่งกว่าเราความรักของเขาซึ่งเคยพร่ำพรอดซ้ำๆซากๆว่ารักเราคนเดียวนั้นก็เลยพลอยเลื่อนตามไปกับความสวยด้วยสมบัติคือความสวยนั้นดีอยู่เป็นบุญตัวแต่อย่าลืมว่าความสวยช่วยเราได้ชั่วระยะอันสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะความสวยมันติดอยู่แต่ผิวหนังของเราเท่านั้นคนเราที่ว่ากันสวยๆนั้นถ้าดูกันให้ดีแล้วมันสวยอยู่ตรงผิวหนังนิดเดียวจริงๆถ้าสมมุติว่าเราจับเอาคนที่โลกนิยมว่าสวยที่สุดมาลอกหนังออกรอบตัวอีกสัก 1- นึใน10ของมิลลิเมตรเท่านั้นก็หมดสวยความสวยทางตัวเดิมก็หมดความสวยที่แผ่นหนังซึ่งลอกออกไปนั้นก็ไม่มีความสวย จึงเป็นเพียงปรากฏการจากส่วนผสมของธาตุช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นคนที่สวยที่สุดในโลกถ้าเราจะรวบรวมเอาความสวยของเขามาช่างดูก็คงไม่ได้น้ำหนักอะไรเป็นกิจจารักษณะพูดมากเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดว่าปาถกถ้าจะเคยอกหักเพราะความสวยของใครมาแล้วกระมังจึงได้แอนตี้คนสวยนักหนาความจริงผมไม่แอนตี้ผมก็ชอบคนสวยเหมือนกันแล้วคนสวยก็ ไม่เคยรังแกะอะไรผมที่พูดนี่ใครจะเสนอข้อคิดแก่คนสองคนเท่านั้นคือหนึ่งคนที่มีรูปร่างสวยอย่าเมาวกับความสวยของตนเกินไปความสวยเป็นเพียงรูปสมบัติเท่านั้นจะช่วยเราได้ก็แค่ชั่วระยะเดียวและเป็นระยะสั้นที่สุดในชีวิตและมีข้อที่คนสวยเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือความสวยนั่นเองเป็นแรงดึงดูดเอาคนใจซามที่มีความรักไม่แน่นอนเข้ามาผัวพันกับตัวด้วย น่าหนักใจว่าจะเลือกคู่ครองผิดพลาดต้องระวังตัวให้ดีวิธีระวังตัวที่ดีที่สุดก็คือพยายามสร้างคุณสมบัติข้อ3 4มสห้ขึ้นให้มากคุณสมบัติเหล่านั้นจะช่วยผลักคน3มออกไปจากตัวเราและดึงดูดเอาคนดีๆมาให้เราเลือกและ 2. ใกล้จะสะกิดท่านผู้คิดเลือกคู่ขอได้คิดเสมอว่าความสวยกับความดีแยกกัน อย่าคิดว่าคนสวยแล้วจะเป็นคนดีเสมอไปซัพย์ก็เป็นพวกดีนอกเหมือนกันมีแล้วหมดได้รวยแล้วจนมีตัวอย่างอยู่ถมไปถ้าจะเปรียบฐานะของคนเรากับต้นไม้ซัพย์เปรียบเหมือนกับเปลือกของมันท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นธรรมดาเปลือกของต้นไม้ถูกแดดถูกลมนานๆก็กลายเป็นสเก็ดร่วงไปหลุดไปของใหม่เกิดขึ้นมาแทนทรัพย์สมบัติของคนเราก็เหมือนกันเอาอะไรแน่ ได้มาแรกๆก็ใหม่ใช้ไปนานๆเข้าก็เก่าและชำรุดเสียหายไปตามกาลละของมันถ้าเอาจํานวนต้นไม้มาพูดก็ต้องว่ามันตกสเกตได้ลองนึกดูสิเพียงชั่วเวลาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเวลานี้เสื้อตกสเก็ดไปเท่าไหร่แล้วกางเกงตกสเก็ดไปเท่าไหร่แล้วแม้แต่ตัวที่เรากาลังสวมอยู่นี้มันก็กำลังตกสเก็ดไปด้วยไม่ใช่หรือ เงินทองข้าวของเงินอื่นละ่ะตกสะเก็ดหลุดร่วงไปเท่าไหร่แล้วโปรดคิดดูถ้าทรัพย์สินของที่เราเคยได้เคยมีตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างตัวเราเองก็คงไม่สามารถจะหอบจะขนเอาไปไหวถ้าเอาสมบัติเก่าที่มันตกสะเก็ดมาแล้วมาคิดเป็นอารมณ์ผมและท่านผู้ฟังทุกคนก็อยู่ในฐานะปเป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นเศรษฐีตกสะเก็ดแล้ว ต้นไม้เปลือกหนาลําต้นชุ่มสดอยู่ตลอดแล้งตลอดฝนเป็นต้นไม้โชคดีแต่ต้นไม้ประเภทนี้ไม่มีโอกาสวาสนาที่จะได้มีคนเชยชมอยู่เป็นเวลานานเมื่อสิ้นเปลือกก็หมดดีไม่เหมือนต้นไม้มีเก่นชีวิตก็ทนทานล้มตายแล้วก็เหลือแก่นมีคนนําไปสร้างบ้านสร้างเรือนปะเหมาะถึงกับไปอยู่ในรั้วในวังมีคนนิยม ช, มชมชอบไม่จืดจาง คนเราก็เหมือนกันคนซับมากเป็นคนมีความสุขแต่ก็สุขแค่ยังมีทั์สิ้นทั์ก็สิ้นสุขและสิ้นทั้งหมดแม้แต่คนรักเป็นแต่ผู้นั้นจะสร้างคุณสมบัติขึ้นไว้ในตัววิชามารยาศสมบัติผู้ดีและศีลธรรมสี่อย่างนี้เป็นพวกคุณสมบัติสมบัติคือความดีเมื่อรูปยังสวยและรับยังอุดม คุณสมบัติทั้งสีก็เป็นเสน่ห์ภายในดึงดูดความรักความอินดูจากคนอื่นเหมือนดอกไม้งามทําให้ลําต้นได้น้ําได้ปุ๋ยครั้นเมื่อยามชราความสวยสิ้นแล้วหรือคราวตกอับทรัพย์หมดสิ้นเนื้อประดาตัวคุณสมบัติทั้งสีนี้ก็ยังเป็นสีของชีวิตรึงรัดใจคนอื่นให้รักนับถือไม่จืดจางเหมือนความหอมที่ชโลยกลิ่นออกจากแก่นจันท์ต้นแก่ก็ยังกลิ่นหอมและแม้ต้นตายแล้ว เหลือแต่แก่นความหอมก็ไม่รู้เหือดจากแก่นจันดีอะไรอย่างนั้นดีนอกกับดีในนั้นถ้าจะพูดถึงความดีแล้วก็ดีทั้งสองอย่างเพราะเป็นของอาศัยกันแต่ถ้าเทียบคุณค่าราคากันจริงๆแล้วดีในย่อมมีค่ามากกว่าดีนอกเพราะดีในเป็นเครื่องประกันความรักเป็นบ่อกเกิดของความสุขและเป็นรากฐานในความมั่นคงของครอบครัวฉะนั้น ผู้เลือกคู่ครองควรจะได้พิจารณาให้ซึ้งเข้าถึงดีในแทนที่จะมัวลหลงไหลอยู่กับดีนอกซึ่งเป็นเพียงเปลือกดีของคนผมรู้สึกว่าได้ทำให้ท่านผู้ฟังเสียเวลากับปัญหาการเลือกคู่ครองออกจะนานไปหน่อยเพราะผมเชื่อมั่นว่าคู่ครองเป็นมูลฐานของครอบครัวจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากการที่เราจะสร้างอาคารบ้านเรือนใหญ่โตแม้จะเสียเวลาตอกเข็มลงรากบ้างก็ต้องยอม เพราะถ้ารากเข็มไม่ดีพอถึงจะสร้างแล้วมันก็ทรุดลงจนได้จะลำบากภายหลังแต่ท่านผู้ฟังบางท่านก็คงอยากจะให้ผมผ่านตอนเลือกคู่ไปเสียทีเพราะมันเป็นเรื่องที่แล้วกันไปแล้วหรือฟื้นขึ้นมาพูดบ่อยๆทําให้เสียสมาธิเปล่าๆเข้าทำนองเจอไม้งามเมื่อขวานบิน 3. ผู้ครองเรือนได้ข่าวแล้วว่า คนเราที่จะเป็นผู้ครองเรือนได้ดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวัยหรืออายุไม่ใช่ว่าตัวโตแล้วก็จะสามารถในการครองเรือนได้ดีทุกคนแต่ใครจะมีความสามารถเหมาะสมเพียงใดอยู่ที่คุณสมบัติในตัวผู้นั้นในบทก่อนผมได้ขมวดใจความลงไว้แล้วว่าในบรรดาคุณสมบัติอันเป็นดีในของคนนั้นที่เป็นยอดจอมจริงๆคือศีลธรรมและได้ไขความไว้บ้างแล้วว่า ศีลธรรมได้แก่ความเป็นคนมีเหตุผลทางใจไม่ใช่ทำอะไรตามอารมณ์ในตอนนี้จะขยายความออกไปอีกให้พอสำหรับการปฏิบัติคำว่าศีลธรรมนั้นเป็นคำรวมหมายถึงคุณสมบัติความดีงามทั้งสิ้นอันมีอยู่ในจิตใจของคนเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความกตัญญูกะตะเวทีและอื่นๆว่าศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมคือคนที่มีความดีทางใจนั่นเอง คารวาสธรรมสำหรับความดีในจิตใจของคนครองเรือนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สีข้อหมายความว่าคุณธรรมสีข้อนี้เป็นข้อจําเป็นขาดไม่ได้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งการครองเรือนก็เสียเหมือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีเสาอย่างน้อยสีเสาค้าตัวเรือนเอาไว้บ้านจึงจะเป็นบ้านเรือนจึงจะเป็นเรือนลดน้อยลงกว่านั้นไม่ได้สามเสา มันก็ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนสองเสายิ่งแล้วเลยเป็นบ้านไม่ได้อย่างดีก็เป็นได้แค่เพิงหมาแงนคิดจะสร้างบ้านต้องมีเสาให้ครบอย่างน้อยสี่เสาเป็นของขาดไม่ได้ลักษณะจิตใจของผู้ครองเรือนก็เหมือนกันอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติสอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่สาคารวสธรรมคือ 1. ่สัจจะความจริง 2. ธรรม ความปรับปรุงตนสามขันติความเข้มแข็งและสี่จาคะความเสียสละสี่อย่างนี้เรียกตามสมนวนทางศาสนาว่าคาราวะศธรรมแปลว่าคุณสมบัติของคนครองเรือนซึ่งจะอธิบายต่อไปในชั้นนี้อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาหลักธรรมทั้งสี่นี้เป็นส่วนรวมสิก่อน ก่อนจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักธรรมเหล่านี้อย่างเหมาะเจาะเพียงใดพระคุณธรรมทั้ง4ี่นี้เป็นรากฐานของความดีอื่นๆอีกเป็นอันมากอยากจะรู้ว่าคนอย่างนี้เหมาะสมกับที่จะเป็นพ่อบ้านหรือแม่เรือนหรือไม่ต้องนึกวาดภาพคนขึ้นสองคนคนหนึ่งมีลักษณะสอย่างนี้อีกคนหนึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามดังนี้ ผู้มีคารวะศธรรมมี 1. สัตวสัจจริง 2. ศึกษาปรับปรุงให้ก้าวหน้าเสมอ 3. เข้มแข็ง 4. รู้จักเสียสละผู้ขาดคารวะศธรรมมี 1. เหล่ะแหละ 2. ดือร้นปล่อยชีวิตตามยถากรรม 3. อ่อนแอ 4. เจ้าอารมณ์เห็นแก่ตัวนี่ยังไงล่ะท่าน หน้าตาของคนมีคาวาศธรรมตามทัศนคของพระพุทธศาสนากับคนที่ขาดคาวาสธรรมผมไม่ต้องตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ครองเรือนที่เหมาะสมกว่ากันเพราะท่านเองก็ตัดสินได้เองอยู่แล้วและที่แน่นอนที่สุดคือคำตัดสินของผมกับของท่านผู้ฟังทั้งหมดจะต้องตรงกันอย่างไม่มีปัญหาควรทางขวามือนั้นอย่าว่าแต่จะให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเลยชั้นที่สุดแม้แต่จะเป็นคนใช้ในบ้านก็ยังไม่เหมาะสมเสียด้วยซ้ํา เรามาขบคิดครวะสจธรรมสีข้อต่อไป